อายุสองขานแต่เท่าเท่าไรจำรุดลงมากน้อยอย่างไรในวันหนึ่งของปัจจุบันที่เป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี้ความเป็นห่วงเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติด้วยกันรู้สึกว่า มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับแม้ในสํานักของเราที่รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาดีแต่กิริยาการที่แสดงออกในแง่มุมต่างๆก็ไม่พ้นที่จะถู ก, ถกต้องติจนได้ เพราะความไม่รอบคอบนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วความไม่รอบคอบในกิจการเหล่านี้ข้อสอบไปถึงความไม่รอบคอบในการบำเพ็ญตนเพื่อแก้กิเลสอาสวะอาสะวะประเภทต่างๆไปในตัวนั้นด้วยจึงอดมิตกกังวลกับเพื่อนผู้ไม่ได้ผู้อยู่มาก็นานมีเยอะ ผูเข้ามาเป็นลำดับลำดาไม่ทราบว่าเข้ามาแบบใดอยู่แบบใดไปแบบใดหรือเข้ามาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นและไปแบบนั้นดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นส่วนมากมักจะเป็นดังที่ว่านี้จึงเป็นห่วงเรื่องกิเลสคำว่ากิเลสกิเลส คือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง <c oughs> ที่คลมกลนกืนกันกับใจดวงรู้นี้ถ้าจะว่ามืดก็มืดมิดปิดตามองไม่เห็นใจเลยสักแต่ว่ารู้แต่สิ่งที่เราไม่คิดไม่คํานึงว่าเป็นอะไรนั้นนั่นแลเป็นเจ้า อ, อำนาจ บังคับจิตใจของโลกอยู่ตลอดเวลาคำว่าโลกนั้นหมายถึงกิจแต่และดวงละดวงของสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นสำคัญย่นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของเราแต่และรูปละนามมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องปกคลุมห่มห่ อ, หอเอาไว้อย่างมิตตัวไม่อาจทราบได้อย่างง่ายดาย เพราเป็นสิ่งที่ลึกลับมากสลับซับซ้อนมากแงงอนพัฒนาไม่จบพรฒนาไม่สิ้นที่ธรรมชาตินี้แสดงออกรอบตัวของมันและทํางานของตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่ภายในจิตใจของโลกสร้างวัตวณวัตจักรให้หมุนรอบจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนหาทางเล็ดรอดออกไม่ได้ ถ้าไม่เอาจริงจังแล้วจะไม่มีทาง ร, รอดอันนี้เป็นสิ่งที่มีความมิตกกังวลมากกับเพื่อนผูงเท่าที่เคยปฏิบัติมานี้รู้สึกว่าหนักเอามากจริงๆขั้นล้มลุกลุกคลานก็โทกเป็นปไปประเภทหนึ่งขั้นพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็ เป็นความทุกข์อีกประเภทหนึ่งคำว่าความทุกข์ความทุกข์นี้ด้วนแล้วตั้งแต่ทุกจากการต่อสู้กับธรรมชาตินี้ทั้งนั้นจนจิตก้าวเดินด้วยทางปัญญารู้พอรู้ทางเข้าทางออกทางแก้ไขทางลบหลีกปีตัวได้บ้างก็ทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งทุกข์ไปตลอด ที่ได้ต่อสู้กับธรรมชาตินี้แต่ความทุกข์เหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่จะเป็นไปเพื่อทางออกทางหลุดพ้นโดยลําดับลําดาของความเปลี่ยนและความทุกข์ที่ได้รับในเวลาปราะกอบความเปลี่ยนนั้นไม่เหมือนโลกทั้งหลายที่ทุกข์อยู่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกข์เพราะความโลภ ก, ก็ไม่รู้ตัว โลภมากโลภน้อยโลภเท่าไรถือความโลภนั้นเป็นสิริมงคลแก่ตนถือความโลภนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เพิ่มความมีคุณค่าของตนขึ้นเป็นลำดับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติ ให้หนานแน่นเข้าไปทุกวันทุกวันและสร้างทุกข์ขึ้นในระยะเดียวกันระดับเดียวกันไปตลอดเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่ยอมให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นไปได้เพราะสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นภัยแก่ตนยังกลับเห็นว่าเป็นคุณถ้าไม่ได้โลภ ไม่ได้อะไรตาตามความโลภแล้วรู้สึกเป็นความเสียใจไปอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มเป็นสองขั้นสามขั้นขึ้นไปโดยลำดับลดานี่พูดถึงเรื่องความโลภ ก, ก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตัวอยู่กับตัวของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่สิสําคัญมากเรื่องราค่าตันหาก็ดีดก็ดิ้น เรื่องความโลภ ก, กับเรื่องราคาตันหานี้ไปด้วยกันเป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันถ้าเป็นมิตรเป็นสหายก็เรียกว่าแยกกันไม่ออกความโกรธนั้นเป็นเครื่องกลมกลืนไปในตัวนั้นถ้าพอใจก็เกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่พอใจก็เกิดความชุนเฉียวหงุดหงิดอย่างน้อยมากกว่านั้นถึงเป็นความโกรธความแค้นขึ้นมา ถึงกับตั้งผูกกรรมผูกเวรและค่าทีวีโบยซึ่งกันดูกกันให้ชิ้หน้าชิบหายไปได้เพราะกิเลสที่กล่าวมาเหล่านี้นี่มั น, เ ป, นเป็นธรรมชาติหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆตัวสัตว์เวน้นจิตของพระพุทธเจ้าและพระหันท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเวน้นเต็มไปด้วยธรรมชาตินี้และสัตว์ทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่กับสิ่งนี้ครบ งามว้นั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะหลุดพ้นจากธรรมชาติที่กดขี่บังคับอยู่นี้ไปเมื่อไหร่ดีนดีดไปตามเลงของมันที่พาให้ดีนให้ดีดได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดก็ไ ม, ไม่ไม่คิดหาทางออกไม่รู้ว่าทางออกเป็นอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายจึงอยู่ด้วยกันด้วยความดีดความดีน ความไม่ลืมหูลืมตานี่เราพูดถึงเรื่องมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องเทียบเคียงโลกที่อยู่ด้วยอานาจของกิเดชซึ่งเป็นข้าศึด ข, ของธรรมนี้อยู่ด้วยความมืดความบอกความดิน้นโดนกวนกระวายไม่ทราบทางออกอยู่ทางไหนดิ้นอยู่อย่างนั้นทั่วแดนโลกธานนี่ไม่มีรายใดที่จะอยู่เป็นความสงบสุขร่มเย็นได้เลย มีแต่ดีแต่ดิ้นอยู่ด้วยกันหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้พาดีดพาดินและไม่พาให้ไม่พาหาจุดหมายปลายทางด้วยมีแต่ผูกมัดรัดดึงไว้ให้อยู่ในอำนาจของมันหากว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียวกว่าเป็นสือร้ายตัวสําคัญสําคัญความโลภก็เป็นสือร้ายตัวหนึ่ง ร, ราคะตัณหาก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่ง ความโกรธก็เป็นปู่ย่ากายายของเสือร้ายเหล่านี้ครอบอยู่ในหัวใจของโลกนี้แต่โลกก็เพลินกับเสือร้ายเหล่านี้มาเป็นประจาตั้งแต่การไหนๆ ไ, ไม่มีทางที่จะคิดหรือระลึกได้บ้างเลยเป็นและจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดขับตลอดกันไม่มีที่สิ้นสุดยุตินี่เรื่องธรรมชาติของโลกเรื่องธรรมชาติของสิ่ง ที่ครอบงำสัตว์โลกให้หมุนไปเย็นมาอยู่เป็นไปทำนองนี้ตลอดไปนะสำหรับเราผู้ปฏิบัติได้เห็นเหตุเห็นผลได้คิดเรื่องอย่างนีอ้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่ทีวิตตกถึงเพื่อนฝูงผมวิตกอันนี้มากมายวลานี้เพราะธรรมชาตินี้รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเพียรแช้นเป็นคู่กรรมคู่เวรกับหัวใจเรานี้รู้สึกว่า จ็เป็นขมิ้นกระปูนเลยเป็นคู่เดือดคู่แค้นคู่กรรมคู่เวรคู่ต่อสู้คู่สังหารซึ่งกันและกันถ้าธรรมชาตินี้ไม่ม้วนเสือลงไปเสียต่านั้นเราก็ต้องม้วนเสือเพราะความเพียรแ้นเนื่องจากธรรมชาตินี้เป็นพิษเป็นภัยมากและมีคนอุบายวิธีการต่างๆครอบงาจิตใจของเราได้ทุกแบบทุกฉบับ หาทางที่จะรู้เรื่องของมันได้ยากมากที่สุดทั้งๆ ท, ที่เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติบาเพ็ญเพื่อจะแก้จะถอดจะถอ น, จ ะ, ถอนจะทําลายสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันกลับมันถูกมันมัดเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้ดิดให้ดิ้นไปตามมันเสียจนได้อันนี้นที่น่าพิจมกักเพียงขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิษพิจารณาให้มาก โลกนี้เป็นไปด้วยความวุ่นวายเพราะอันนี้เท่านั้นไม่มีสิง่งใดทาโลกให้วุ่นวายยิ่งไปกว่ากิเลสตัวมันฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะฝังอยู่ทุกดวงจิตเป็นสัตว์ก็ฝังและดีดดิ้นไปแบบหนึ่งเป็นมนุษย์ก็ฝังแล้วดีดดิ้นไปอีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวันณะใดธรรมชาตินี้พาให้ดีดให้ดิ้นไปคนละทิศละทางและสุดท้ายก็ลง ม้วนเสือลงในวัฏจักวรวัฏวนวัฏทุกอันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยมาตั้งกับตั้งกันนี้จึงเป็นหน้าอินนาลาอาจใจสำหรับท่านผู้พ้นไปแล้วมองลงมาดูโลกดูสงสารที่เต็มไปด้วยสิ่งอันนี้พวพันรัดลึงจนมองหาตัวไม่เห็นคำว่ามองหาตัวคือมองหาใจมองหาความวีแววของใจ ความสงา่าตาสีของใจไม่มีเม่แต่สิ่งเหล่านี้ครอบความไปเสียจนหมดแล้วเกิดก็เกิดมาเพราะธรรมชาติอันนี้พาให้เกิดความเป็นอยู่ก็ธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นอยู่พาให้หมุนให้เย็ยนตลอดเวลาเวลาตายก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่สร้างจุดหมายปลายทางให้ผู้หนึ่งผู้ใด มีแต่พาให้ดีใดให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทำใจให้หนักแน่นให้มั่นคงทุกจิ่งทุกอย่างอย่าะละแหละถ้าอยากปลดพ้นจากกงกรรมแห่งวัฏจักรนี้ไปโดยลำดับํำราลและไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วจงทุ่มเท ก, กำลังความสามารถทุกด้านลงเพราะภัยของมันนี้เทียบกันได้กับเสือร้ายตัวสาคัญสาคัญนั่นแหละ มันฝังอยู่ภายในจิตแต่มันมันไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายนังนสิโลกถึงได้หลงถ้าได้รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายใครแล้วจะเข้าไปแอบมันได้แม้แต่เด็กก็ยังกลัวถ้าเข้าเข้าใจว่าเป็นเสือถ้ารู้ว่าเป็นเสือแล้วเด็กก็ยังไม่กลาก้าเข้าไปหามันได้นี่ก็พ่อไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายฝังอยู่ในหัวใจกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่า ง, างในบรรดา กิริยาของเราที่จะทำความความดิบความดีมันจะกลืนไปโดยลําดับลําดาเมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าความเพียนความขี้เกียจขี้คร้านความทอดแท้เลอะไหล่ก็แอบกินไปกินไปในนั้นสติตั้งไปความเผลอก็แอบกินไปนี่เป็นอย่างนั้นนะปัญญาคิดขึ้น พอที่จะเป็นเหตุเป็นผลมันก็นําทะเลทลายออกนอกลูนอ ก, ก, นอกทางไปเป็นโรคเป็นองสารเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทยัยไปเสียเดินไปอีกแบบหนึ่งตืินไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากที่สุดเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาของเราทั้งหลายจะรู้ได้ <c oughs> นอกจากผู้ที่ท่านปฏิบัติและผ่าน <c oughs> พ้นไปแล้วนั้นไปไปแล้วนั้นมองเห็นหมดรู้หมด เกิดความสลดสังเวชในบรรดาสัตว์โลกด้วยกันที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะออกได้เมื่อใดพ้นไปได้เมื่อไรจากองจักอันนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากสําหรับเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเราอย่าคุ้นเราอย่าชินสิ่งอันนี้มีแต่กลมมายาของกิเลสแสดงออกทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนไม่มีกิเลสอันใดแสดงออกทำจะเท่ากับ แสงหิ่ห้อยนี้ก็ไม่มีในโลกอันนี้ว่าอย่างนั้นเลยว่าโลกทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่ธรรมชาตินี้แสดงตัวทั้งนั้นไม่ว่าในสัตว์ไม่ว่าในบุคคลสัตว์จะมีจํานวนมากน้อยอย่างไรก็ตามบุคคลจะมีทั่วโลกดินแดนก็ตามมีแต่ธรรมชาตินี้พาให้หมุนให้เวียนให้เป็นไปทั้งนั้นไม่มีใครจะเหนือมันได้นี่เราได้อาศัยทำเป็นเครื่องยืดเครื่องเกาะเราจะยึดก็ให้ยืด จะเกาะก็ให้เกาะจะเพียรก็ให้เพียนจะพยายามบักบันหันหน้าเข้าสวัสู่ธรรมเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเปลี่ยนหรือถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสังหารที่เดชก็ทุ่มลงไปอย่าเสียดายวัตจักรวัตจักรคือวัตทุก์ทั้นแหละไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แห่งเดียวกันนี่นิตกแต่มาเท่าไหร่ยิ่งนิตกทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงเป็นใด เพราะธรรมชาตินี้แสดงเปลวนี้ถ้าว่าจดเมฆก็เลยเมฆไปเสียไม่ใช่จดเมฆถ้าว่าอะไรก็เลยนั่นไปเสียว่าอะไรสูงก็เลยสิ่งที่สูงสูงนั่นไปเสียทุกอย่างคือธรรมชาตินี้แหละแต่กรมซาโลกให้ลืมเนื้อลืมตัวนี้ไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี้โลกที่มั่วสุมกันอยู่ด้วยมูดด้วยคูดคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเทียบกับ มุดกับพูดโลกทั้งหลายก็ปีนป่ายกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความเบื่อหน่ายอยู่พอว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องพักพักจากไปอย่างนี้ซึ่งเท่ากันกับคูดนั้นไม่มีมีแต่พากันดีดกันดิน้นจะเป็นจะตายก็ตามเรื่องขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วหวานคอไปหมดไม่มีใครจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจึงได้หลอกเอาเต็มที่เต็มฐานถ้าไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าจะรับพระองค์มาโปรด มาประพรมด้วยแล้วยังไงก็ไม่มีทางหลุดพ้นเคยอยู่มาชั้นใดเป็นมาชั้นใดทุกข์มากน้อยมาชั้นใดก็จะเป็นไปฉันนั้นฉันนั้นจะไม่มีช่องทางที่จะหลุดพ้นออกไปได้เลยแต่นี้เราก็เป็นนักบวช ด, ด้วยถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกด้วยก็ควรที่จะประพฤติตัวทำตัวให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการประพฤติปฏิบัติ อย่าเลาะแหลกอย่าคลอนแคลนมิสัยให้จริงจังทุกอย่างทําอะไรไมาอย่างนั้นไม่ทันกิเลสนี่แหลมคมมากจริงๆเกินกว่าที่จะนํามาพูดโน่นให้รู้ในเวลาที่เข้าค่าสึกระหว่างกิเลสกับทําพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากเวลายังไม่มีสติปัญญาพอฟัดพอเหวี่ยงกันยังไม่รู้ ลวดลายของเกศว่าเป็นอย่างไรต่อเมื่อมีรวดลายของธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเข้าจวกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาธรรมเข้าไปแล้วนั่นแหละเราจะได้เห็นรวดลายของกิเลศที่ว่าละเอียดแหลมคมขนาดไหนถ้าจะพูดถึงโวหารนำมาเทศนาว่าการเกี่ยวกับเรื่องราวการฆ่า ก, เกิเลศสู้กับกิเลศนั้นนำมาพูดไม่ได้เพราะละเอียดละออเป็นอยู่กับผู้ที่เป็นนิสสนั่น คือรู้อยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นละเอียดไหมกิเลสถึงขนาดนั้นมหาสติมหาปัญญาเร็วขนาดไหนคําว่ามหาสติมหาปัญญาไม่รวดไม่เร็ ว, ไ ม, รวไม่เรียกมหาสติมหาปัญญานั่นเราจึงจะเห็นมมหาของกิเลสี่อืกกิเลสมันก็เป็นมหาอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงอวิชชานั่นละ่ะตัวตัวยอดของสมุไทยตัวยอดของวัตจักร ต้องเป็นเรื่องมหาสีมัหาปัญญานี้เท่านั้นที่จะเข้าสังหารกันได้แต่ก่อนที่จะสังหารกันได้นี่ก็ต้องฟัดกันอย่างเต็มเหนียวเต็มเหนียวไม่มีใครคิดเรื่องชีวิตจิตใจของใครแหละถ้าพูดถึงเรื่องว่ากิเลสมีจิญญาณเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่ากิเลสก็ไม่คิดชีวิตต่อสู้กับธรรมธรรมก็ไม่คิดชีวิตที่ต่อสู้กับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสที่ฟัดกัน ในเวลาที่เปลียงไกลต่างอันต่างเปียงไกลแล้วนั้นโบหานอันนี้นำมาพูดไม่ได้มาต่อสู้กันอย่างไรอย่างไรพูดไม่ได้รู้ได้เฉพาะเฉพาะเฉพาะในเวลาที่ฟาดปันทันแหลกกันเท่านั้นนอกนั้นรู้ไม่ได้นำมาพูดไม่ได้นี่แหละเราจะได้เห็นความละเอียดแล้มคมของกิเลสเห็นกันตอนนี้เห็นกันตอนสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเริ่มไปตั้งแต่สติปัญญาอาตโนมัติ ที่เรียกว่าภาวนามะยะปัญญานี้ไปเรียงลำดับําดาจนเก้าเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่นําออกมาต่อกรกับที่มันออกมาต่อกอนกับเราหรือว่านําออกมาได้แกอวิชานั่นแหละเป็นผู้นําออกมาต่อกรกับสติปัญญากับมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาของนักปฏิบัติทั้งหลายเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของมันที่มาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นระยะเป็นระยะต่อสู้กันเป็นระยะระยะ พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงร้สั น, น, นสพันคมถ้าจะเทียบกับเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนเขานั่นเองนี่เทียบความเร็วแต่เพียงเทียบเท่านั้นน ะ, ะแชมเปี้ยนมันก็ไม่มีรวดเร็วอะไรเพราะเป็นร่างกายอันนั้นเป็นกระแสะของจิตเป็นกระแสะของธรรมเป็นกระแสะของกิเลสเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าที่ใครจะคาดจะหมายได้ถ้าไม่ใช่ผู้เป็นนั้นเะเองรู้เองเห็นเองไม่ต้องคาดต้องหมาย นี่แหละเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่เห็นโทษของกิเลสนี่เห็นอย่างใจหายไม่ตายก็ต้องสู้เอาให้กิเลสตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายคําว่าแพ้แพ้ไม่ได้เลยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพราะเห็นโทษของมันอย่างถึงใจถึงใจไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วเพราะฉะนั้นความเพียงจึงหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาแล้วเราจะได้ เ, เห็นวัดดายของกิเลส ที่ต่อสู้กับธรรมเป็นระยะระยะเป็นวักเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับลําดาในเวลานั้นเวลานั้นแล้วสติปัญญาเราก็จะรู้เห็นในเวลานั้นเช่นเดียวกันว่าต่อสู้กับกิเลสต่อสู้ด้วยวิธีใ ด, ดการหลบหลีบปีกตัวหรือการต่อสังหารกันสังหารวิธีไหนนี่พูดไม่ถูกพูดไม่ได้ต้องเป็นผู้เป็นเสียเท่านั้น ถ้าเป็นผู้เป็นแล้วไม่ต้องถามใครหากรู้ในตัวเองไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดเมื่อถึงทำขั้นนี้แล้วจะเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับว่าสอนคุนในตัวเองสติปัญญาฟิตตัวเองฟิตตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเอาจนทันจนทันพ่อมีแต่จะเอาให้ให้ให้ใหหม้วนเสือให้ขี้ดหร่หม้วนเสืออย่างเดียวคําว่าจะลดหย่อนผ่อนผันจริงไม่มีไม่ได้นี่แหละภาษาธรรมระหว่างขีเ้เหรกับธรรมอันนี้นํามาพูดไม่ได้ เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเหว่าสันติโกรู้เองเห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นทีนี้เวลากิเลสมันหมดสติกําลังความสามารถของมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจของสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหรือว่ามหาสีมหาปัญญาสังหารมันม้วนเสื่อลงเสียเท่านั้นโลกธาตุนี้ว่างไปหมด ไม่มีอะไรที่จะมาขีดมาขวางจะโลกจะกว้างแสนกว้างไกลแสนไกลขนาดไหนประมาณประมาณไม่ได้ก็ตามก็ว่างไปหมดเหมือนกันหมดทีนี้ก็ยิ่งจะทำให้เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดว่าฤทธิ์อานาจของกิเลสที่มันครอบํำสัตว์โลกนี้มีมันเท่านั้นที่ขวางโลกอยู่จน ตีบตันอันตู้หาทางไปไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างหาทางไปไม่ได้เพราะกิเดสปิดตันเมื่อกิเดสได้ม้วนเสือลงไปหมดแล้วโลกกระ t น, นี้ว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรจรึงได้เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนว่ามีคิเดสเท่านั้นกีดขวางโลกกระ t อันนี้ให้สัตว์ทั้งหลายก้าวไม่ออกไปไม่ได้ตายกองกันอยู่นี่ไม่รู้กี่กับขี่กันก็ไม่รู้ทางไป มีแ ต, ททต่ทางเกิดทางตายทางเกิดทางตายหมุนกันไปหมุนกันมาสลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะสับสนปนเปลสลับทับซ้อนมากหรือหนาแน่นมากยี่ ก, กว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี่แล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดยังจะเป็นไปอีกตลอดเวลานี่คือเรื่องของกิเลสทําจัดโลกให้หมุนให้เวียนขวางโลกอยู่ตลอดเวลาคือกิเลสนั่นเองขวางโลกกระฐานนี้ก็คือกิเลส สิ่งอื่นไม่มีอะไรขวางเราอยากจะรู้ชัดเห็นชัดเอาพังกิเด็ดลงออกจากหัวใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะโล่งไปหมดเลยเวิ้งว้างไม่มีอะไรที่จะมากรีดมาขวางกิตใจอีกแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นก็ทําให้รู้ได้ชัดเจนว่ามีกิเด็ด เ, เท่านั้นกีดขวางกิตใจกีดขวางโลกกระถัดปิดบังไม่หมดศสัทธาทางออกไม่ได้ก็คือกิเด็ดนี้เท่านั้นเป็นภยัยมหาภายัย เป็นทุกข์มหันแต่ทุกข์ก็เพราะกิเลสนี้เป็นผู้สร้างอย่างอื่นอย่างใดไม่มีสร้างมีกี่มีกี่กิเลสนั้นเห็นโทษไหมท่านทั้งหลายที่เทศน์ให้ฟังวันนี้เห็นไหมนี่ละโทษของกิเลสเก่งขนาดนั้นแหะความละเอียดแล้มคมของมันให้ถึงขั้นที่ควรจะรู้ลวดลายของกันและกันรังที่กล่าวมาแล้วนี่รู้ปิดไม่อยู่แล้วเวลากิเลสจะม้วนเสือก็รู้ปิดไมอ่อยู่อีกเหมือนกันพังได้อํานาจของธรรมนี่ ขอให้สร้างขึ้นมาเถิดสติปัญญาเป็นสิ่งที่สร้างได้อบรมได้เพืหัดดัดแปลงให้มีความเตรียมใจหรือให้มีความจะเดี๋ยวฉลาดแหลมคมไปได้โดยลําดับถ้าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาเอกไม่ได้แลี้ยนำเรื่องธรรมเหล่านี้มาสอนโลกไม่ได้เหมือนกันนี่ธรรมสอนโลกที่ทรงมาทรงนำมาสอนโลกอยู่นี้เพราะพระองค์ได้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนํามาสอนโลกเราผู้ปฏิบัตินี้เท่ากับล้างมือเปืกเท่านั้น ทำไมจะต้องเกลียดค้านอ่อนแอท่อแท้เร็วไหลาตายกองกันอยู่ในวัตะจากวัตจักสงสารนี้โดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนักปฏิบัติเราเป็นผ้าด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟของกิเลสเผาสัตว์โลกราคะแล้วก็ราคะคขี้ก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่กิเลสพอใจมากที่สุดนั่นกลมดีไหมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟคือราคะฉันจึงเรียกว่าราคะขี้ ไฟคือราคะเป็นร้อนเป็นแผดเผาที่สุดเลยแต่โลกทั้งหลายชอบที่สุดเห็นไหมคําว่าโลกทั้งหลายชอบที่สุดก็กิเลสมันชอบที่สุดให้ชอบที่สุดบีบบังคับให้ชอบที่สุดนั่นโลกจึงไม่มีความอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้แล้วเวลานี้ก็กําลังก็ยิ่งนับวันหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวนี้ที่เป็นพื้นน้ำไฟชมกันเต็มโลกธาตุแล้วเวลานี้ ี่นี่คือชมกองฟืนกองไฟให้มันเผามันไหม้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่กิเลสพาให้ชมธรรมะท่านตำหนิธรรมะพูดพูดตำหนินั่นคือจอมปราดพระพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์ตำหนิทั้งนั้น <c oughs> พระราษ์หารไม่ผ่านกองไฟนี้ไปซะก่อนเป็นพระราหารไม่ได้ท่านทำไมท่านจะไม่เห็นกองไฟทั้งกองกองใหญ่ๆราคคิโทสักิโมหคิโลภักคิสามสี่กองนี่เผาโลกไม่มีอันดื่นอันไดเผา และธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกไม่อยู่ต้นไม้ภูเขากินฟ้าอากาศที่ไหนอยู่ที่หัวใจโลกเพราะฉะนั้นหัวใจโลกจึงได้หมุนเป็นบ้าไปหมดไม่ว่าเขาว่าเราว่าท่านว่าใครเป็นแบบเดียวกันหมดเพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันกลอมได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่รีบแก้ไขตั้งแต่ บ, บัดนี้ไม่เชื่อศาสดางองค์เอกแล้วเราจะ หู ses, มันจุงจมูกต้อยต้อยไปเยอะมันจุงจมูกประธรรมดาคอยชั่วที่มันจะจุงลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ัวเต็มโลกเต็มมังสาอะไรจะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตว์โลกที่เกิดตายเกิดตายและสองแสวงหาที่เกิดที่ตายอยู่เต็มไม่ว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินใต้น้ําบนบกที่ไหนท้องฟ้ามหาสมุทรทะเลที่ไหนไม่มีช่องว่างมีแต่ธรรมชาติอันนี้แหะจิตวิญญาณของสัตว์โลกนี่อแสวงหาที่เกิดและเกิดและตายและจม ในรกก็ไม่ต้องพูดนรกมีขนาดไหนแน่นอยู่ตลอดอัดแน่นตลอดเวลาก็เพราะอํานาจของการของกับความเชื่อกิเลสนั่นแหละท่านจริงๆว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมหว่าไงทํากรรมกิเลสพาให้ทํามันจะไปไปทำเพื่อบุญเพื่อขุศลอะไรมันก็ให้ทําตั้งแต่ความชัวช่วช้าละมกที่มันชอบสมกับมันตําหนิทํามันเป็นค่าศิกต่อทํานั่นแหละเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจึงมีแต่พื้นแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาตลอดอิดบากกรรม ยี่ปากวัฒน์ที่ว่านั่นก็กำกรรมชั่วชาลโมกนี่แหละมันเผาแล้วหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคําว่าของเก่าของใหม่หมุนแล้วหมุนเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะคนตาบอดเดินทางจะไปรู้ได้ไงว่าทางเส้นไหนที่เคยมาแล้วเคยไปแล้วเค ย, เคยอยู่แล้วไม่เหมือนคนตาดี<ม>คนตาดีสังฆปริ้าสาวกทั้งหลายท่านมองเห็นหมดท่านรู้หมดว่าเคยเป็นยังไงตัวไงนั่นพวกเราก็เป็นพวกประเภทคนตาบอด แล้วยังจะสมัครใจเป็นคนตาบอดอีกอยู่เลยจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติหรอือโลกนี้เราจะวังอะไรกับมันเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดแป่นดินอยู่แล้วแต่การไห น, ไหนมาตื่นอะไรกันเวลานี้แล้วความตื่นไปกับกิเลสหลงกลของกิเลสนี่หลงมานา น, นถึงเท่าไหรแล้วสิ่งที่กิเอดหลอกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเพิ่งมีมามีมาดั้งเดิมมีมาตั้งแต่การไหนๆแล้วยังจะมีต่อไปอีกจูงสัตว์โลกให้ล่มจมไปอีกตลอดเวลา ไม่มีใครที่จะได้รอดไปได้อย่างง่ายได้น่ะถ้าให้เอาจิงเอาจังทำมาพะพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสลูกก็เหมือนฟ้าแม่สักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพอหมดศาสนาแล้วก็เพิบ ม, มืดตื้อมืดตือดต้อไปอย่างนี้เรื่อยพระพุทธเจ้ามาตรัสลู้แต่ละแต่ละครั้งละครั้งนั่นแหละเป็นเวลาที่สัตว์โลกทั้งหลายได้ดูดได้พ้นไปจากกองกรรมทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้พอผ่านจากนั้นแล้วก็มืดปิดทวารเลย นี่กับพระพุทธเจ้าของเรายัางทรงพระชนอยู่อยู่ด้วยอดด้วยธรรมสวดคารธรรมนั่นแลคือความเป็นเป็นของความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสจด้เอกแทนพระองค์ท่านสอนไว้ฟังว่าที่สว่วดคารธรรมตัดไปชอบแล้วเราไม่เชื่อความชอบเราจะเชื่ออะไรกิเลสมันบอกว่ามันไม่ชอบมาตั้งแต่การไหนไหนทำท้องพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สอนได้หมดบากิเลสมันไม่ชอบคือตัวหลอกลวงก็คือกิเลสนั่นเองเราก็ยังชอบมันอยู่ชอบมันอยู่เพราะ เสน่ห์มันแรงคาถามันดีก่อมพับเดียวเสนนี้หลับปุ๋ยหลับปุ๋ยเลยนั่นนี่แหละอันที่มันน่าทุเล็ดนะแล้วเรายัางจะเวียนว่าแต่เกิดไปนี้อีกกี่พบกี่ชาติกี่กับ ก, กี่การไม่คํานึงหรือความทุกข์ที่เป็นไปเพราะการต่อสู้ทุเล็ดในทางความเปลี่ยนนี้มันจะทุกข์ขนาดไหนถึงแค่ตายเท่านั้นไม่นานไม่มากเอาลงไปสิแต่เราที่จะไปทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏจักร วัดตะวันพอกิเลสหลอกลวงกิเลสต้มตุ๋นนี้จะทุกข์ไปมากขนาดไหนนานแสนนานขนาดใดเรามาเทียบกันสิความทุกข์นั้นกับความทุกข์นี้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยมกันคนเราถ้าเทียบแล้วถ้าไม่เทียบนี่ก็ตายทิ้งกรเป๋าตายทิ้งกรเปล่ า, าเกิดนี่จะเกิดกับตายเกิดกับตายไม่ได้อะไรละโลกอันนี้ได้จะเกิดกับตายเกิดกับตายแต่นั้นมันเกิดตายธรรมดาความชั่วอยู่ไม่ทราบมันจะเคยเกิดเป็นอะไรตายแล้วไปเป็นอะไรสิมันเคยจมมาแล้วกี่กับกี่กัน ยังจะต้องจมอีกไม่มีคําว่าใหม่คําว่าอิ่มพอความจมความทุกข์ความทรมานนี้ไม่มีคําว่าอิ่มพอไ ม, ไม่มีคําว่าเป็นของเฉยๆไปแล้วอย่างนี้ไม่มีไม่มีเป็นคําว่าชินต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเสียตั้งแต่บัด น, นี้แล้วจะไม่มีทางออกนะเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่อหล่อไปร่อยหลอไปนี่เคยพูดแล้วพูดแล้วเพื่อเป็นการเตือนสตินั่นเองเราหวังอะไรกับโลกอันนี้ เราไม่ได้ตาหนีโลกเราตําหนีกิเลสที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกต่างหากเรื่องโลกกับโลกของกิเลส จ, จะว่าไงไม่ให้พูดว่าอย่างนั้นก็จะพูดว่ายัางไงกิเลสมันอยู่กับโลกก็ต้องพูดว่าโลกเลยนี่ยตัวสำคัญอันนี้เดี๋ยวภากันเพิดกันเพลินหลงุงเนื้อลืมตัวเวลานี่สิ่งที่จะยุ่ยแย่ก่อกวรให้ได้รับความทุกข์ความลําบากอันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเหยื่อล่อของกิเลสนี่หนาแน่นขึ้นทุก ว, วันทุก ว, วันนะ นี่เกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลงตะบัวก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่มันหลอกมันลวงมันต้มมันตุน่นมันเป็นเหยื่อล่อทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นแต่แล้มีแต่แล้วปฏิเสธไม่ได้ใครก็เห็นใครก็รู้มีแต่ทางล่มจมทางล่มจมทางทำให้สัตว์ตั้งหลายเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ล่มจมล้มจมมีแต่คนมายาของกิเลสหลอกลวงสัตว์ท่างนั้นในที่ถ้าผู้มีธรรมแล้วได้คิดสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาพินิษฐพิจารณา ให้รู้ให้เห็นต่างออกจนได้นั่นแหละเหนื่อยนี่ไม่ได้ชินกับอะไรพูดให้หมู่เพื่อนฟังัะเต็มหัวใจก็เคยพูดมาแล้วในเรื่องอัดเรื่องทำอะไรก็สุดหัวใจสุดรู้สุดเห็นสุดเหตุสุดผลทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่คุ้นกับอะไรไม่หวังพึ่งอะไรแล้วโลกสามเดือนโลกกรานนี่กิจมันมีหวังพึ่งอะไรไม่มี แม่ร่างกายของเราที่อยู่นี่ก็เหมือนกันกับว่าเราอยู่กับเครื่องมือเรือนร่างอันหนึ่งเหมือนเราอยู่ในบ้านบ้านนี้จะพังเมื่อไหร่เมื่อบ้านพังเมื่อไรเราก็าออกจากบ้านนี้เนี่ยร่างกายนี้พังเมื่อไรจิตเราก็ออกจากร่างอันนี้มันก็มีเท่านั้นจะหวังพึ่งมันก็พอพึ่งพออาศัยบางแดดบางฝนเท่านั้นถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็ดีจะหวังว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่หวังแล้วเพราะมันจะพังอยู่แล้วอื มีร่างกายนี้ก็รู้ชัดๆอยู่แล้วเรียนให้มันจบสิเมื่อเรียนจบแล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเรือนร่างพออาศัยของกิจเท่านั้นเองมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันแยกกันเป็นประเภทที่เหมือนกับแม่น้ำสองฝั่งนั่นเองฝั่งนั้นฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่ง น, น, นี่ฝั่งโลกอันหนึ่งฝั่งธรรมอันหนึ่งฝั่งสมมุติอันหนึ่งฝั่งมิมุติอันหนึ่งมันเห็นประจกักษ์ในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรติดอะไร อะไรที่พายติดท่านติดอยู่จะเรียกว่าพอหรือใจใจของท่านผู้สิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโลกามิตหรือกิเลสประเภทใดๆที่เป็นสมมุติเข้าไปแทรกสิงภายในจิตใจเลยย้ําโล่งตลอดพอตลอดเวลาไปก็พออยู่ก็พอไม่กาหนดเรื่องป่าชาติตายแล้วจะไปที่ไหนเมื่อเราจะตายไม่กาหนดกฎเกณฑ์ให้เสียวเวลาความเป็นจริงหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีอยู่เป็นเช่นไรอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเท่านั้น เรียนให้มันจบเรียนจบก็เรียนค่ากิเลสให้มันหมดนั่นแหละค่ากิเลสหมดก็เท่ากับเรียนทำเต็มภูมิเหมือนกันอยู่ในขณะเดียวกันเราวางพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสดสดร้อนรอนนะพระธรรมพระสงฆ์สดสดร้อนรทุกอย่างขอให้เอาถเอาให้จริงให้จังมันไม่ได้สดสดร้อนๆ้อนแต่กิเลสหลอกสัตว์โลกนะทำก็สดสดร้อนร้อนถ้าเรานํามาทําประโยชน์นํามาเป็นที่พึ่งที่เกาะตัวของเราก็ เลยรับที่ปึ่งที่เกาะถ้าเป็นบ้า ก, กับิเจดตลอดเวลาก็ดังที่เห็นอยู่แล้วตายก็ไม่มีป่าชาคําว่าไม่มีป่าชาคือหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตายแล้วไม่ทราบจะไปเป็นอะไรเป็นอะไรทั้งๆ ท, ที่จะตายทั้งๆ ท, ท, ที่จะเป็นนั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ในตัวเองยิ่งผู้ที่ไม่สอดแสวงหาคุณงามความดีเลยนี่ผู้นี้หมดหวังหมดหวังตั้งแต่ยังมีลมหายใจฟอดฟอด อ, อยู่นี่แหละพอสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดหวังเพิ่มเข้าไปอีก ผู้ที่มีคุณงามความดียังพอ้อมีคุณงามความดีนั่นพาเบิกทาง ไ, ไปมีที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ที่อาศัยคนบุญไปไหนไม่จนกรอกจนมุมแหละคนบาปไปไหนนั้นที่อยู่ก็จนกรอกไปก็จนกรอกอยู่ไหนจนกรอกทั้งนั้นได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดเวลาส่วนคนบุญไม่เป็นอย่างนั้นแม้กิเลสมีอยู่ความดีก็มีอยู่เป็นเครื่องทัดทานกันอยู่ต้านทานกันอยู่ก็พออยู่ได้เป็นไป อสิ้นเสียโดยประการทั้งปวงแล้วนั้นแหละ ย, ยอดยอดธรรมหรือยอดเรายอดคนอยู่ตรงนั้นก็ละเหนื่อยเพลิอย่างนี้ก็รู้จึงว่าเหนื่อยแล้วแต่มาเท่าไรแทนที่จะมาเป็นห่วงเจ้าของไม่เป็นนะมันไม่เป็นเลยจะว่างไงกับเจ้าของนี่ไม่มีเลยฟังให้ดีมันกับห่วงโลกสงสาร ที่เป็นกำลังทุกวันนี้ดีดิด่นก็เพราะโลกของสาลนั่นเนองพอช่วยได้ในแง่ใดเราก็ช่วยในแง่นั้นแง่นั้นเต็มสติกำลังครามสามารถพูดที่ควรผ่านพ้นไปได้ก็พร้อมที่จะถุดลากให้ผ่านพ้นไปได้จากกองฟืนกองไฟคือความเกิดแก่เก็บตายด้วยอำนาจของกิเลสนี้พอจะพ้นไปได้เมื่อใดเอาเอาให้พ้นไม่มีชิ้นี่หละในโลกนี้มีแต่ความหวังลวมๆแรกๆที่กิเลสหลอกกันแหละความจริงจริงมันไม่มีล่ะ หวังหวังอยู่งั้นดูให้เด็ที่ดูจิตเจ้าของดูอะไรอย่างอื่นความเคลื่อนไหวข อ, อกจากรินน่ะมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรอะไรสติมีรู้ไม่มีสติไม่รู้ท่านจึงสอนให้มีสติสติสตลอดเวลาสตินี่สําคัญมากขาดสติแล้วขาดความเพียรน่ะถ้าสติยังมีอยู่เรียวกว่าความเพียรมี ถึงจะไม่ได้ค่ากิเลสเห็นประจากษ์ตาก็ก็ความเพียรต่อสู้กิเลสก็มีมอยู่กับคนเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากนะก็จะจมไปแบบโลกเขาจมกันโอ้มองมาตลาดยิ่ง น, นะก็มไม่ทราบว่าจะพูดว่างไงมันรู้อยู่มันเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในหัวใจทนโทษอยู่แล้ว สิงไม่เป็นประโยชน์ก็ยังไม่ทราบจะพูดไปทำไมแน่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องก็พอจะพูดนี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดไปอะไรรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นนหละมีแต่อาตจัรย์พระพุทธเจ้าโอ้โหข่ขึ้นมาได้อย่ังไงผู่ขึ้นมาอย่างไรอาตจัรย์สุดฉีดนะนี่อาตจัรย์ธร า, าเพราะเป็นผู้บูบเบิลทางน้นะนอง น, นั้น เป็นสาวกต้องได้ยินได้ฟังแนะนำคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นมาก็จากครูจากอาจารย์ก็เป็นธรรมของพุทธเจ้าก่อนถึงจะรู้จะเห็นพอลืมหูลืมตาได้อันพระองค์นะ่ะดูอยู่โผขึ้นมาได้นี่สี่อาัจันท์เราทั้งทั้งที่ก็ทราบอยู่ว่าวพุทธวิสัยยจะเป็นอย่างนี้ด้วยการทุกข์พระองค์ก็ทราบอยู่ แต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้นะพุทธวิสัยต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครแนะนาําั่งสอนเป็นสยามภู ด, ด้วยกันมดเป็นจะแปลงว่าผู้ที่จัดสรู้ช้าและเร็ ว, รวยากลําบากแล้วง่ายได้ต่างกันตอนนั้นเลยหากเป็นสยามภูเหมือนกันหมดรู้เองเห็นเองโลกก็เห็นอยู่อย่างนี้นะจะวางไงพูดไม่ออกเห็นอยู่รู้อยู่เงี่ ความรู้ควมเห็นมันก็รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ในฐานะที่ควรจะแนะนำถกเถียงสั่งสอนได้ก็ว่ากันไปสอนกันไปดังนี้แหละที่ไม่ใช่วิสัยก็ปล่อยตามเรื่องวันนี้เราก็พยายามสงวนเรื่องการเรื่องงานไม่มีรักษาพื้นเพออันดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าวไว้มันใช่ของเพียงครูบาอาจารนยะ์พระพุทธเจ้า พื้นเพย์ดังเดิมคืองานของพระแม่ยากการเดินโยกลมนั่งสมาธิภาวนาหาที่สงบสงัดเป็นประจำนิสัยเป็นประจำเพศของตนนี่และงานแท้พื้นเพแทแ้เวลานี้เห็นไหมละ่ะมันทามันถมอาสนามีที่ไหนนี้จงเกิดเรื่องอย่างนี้ล้ เม่อกี้เด็กเข้าไตลาดพูดแล้วมันตีเนี่ยทุกแง่ทุกมุมมันละเอียดและอวมากที่สุดไม่เห็นมันง่ายๆพูดนี่เราก็มันถึงใจไอ้ที่ว่ามหาระหว่างมหาสติปัญญามหาสติมาปัญญาฟัดกับกูเดดประเภทละเอียดมันถึงใจนะที่ว่าพูดสอนใครไม่ได้พูดให้ใครฟังไม่ได้เพราะ ไ, ไ, ไม่ใช่ภาษา ที่มาพูดในคนเป็นภาษาธรรมะกับนิเวศฟรรัดกันทั้งนาไม่งั้นจะลืมเริม่มเวลาเหนื่อยไม่ล้าหรือมันไม่ถึงขนาดนั้นนี่ก็เคยพูดในหมู่เพืนฟังนะ ล, ล่ามท่าอะไรๆไม่ได้สนใจกันเลยมันไม่มีมันไม่มีความสนใจอันนั้นมันหนักมาก เหมือนกับละมวยเข้าวงในกันจะไปนสนใจกับอะไรมีระหว่างเจดีย์กับธรรมส่วนละเอียดฟัดกันก็เป็นอย่างนั้นหมุนที่วตี่วติ่วลวดลายของเจดีย์รวดลายของธรรมนี่ให้เห็นกันอย่างนั้นหเห็นในวงปฏิบัติต้องรับท่านพุทีิเป็นสิปปัญญาเราก็ยกไปเราไม่พูดลามปามไปหมดลนะ แต่คิปาปิญญานั้นก็เป็นอีกวิเวทหนึ่งของท่านใส่เพิบเดียวเลยไม่หมดเลยกิเลสมันอยูอนั่นพวกถูไถพวกแย่งลงนรกอยู่ยังเหมือนพวกเรานี่สิไล่ขึ้นสวรรค์นี่พ่านมายอมไปบื่บืบ่บลงนรกนี่สิอันนี้ความสลับซับซ้อนของกิเลสนี่ไม่ทั้งจะว่าแหมเถอะะคือมันถึงใจ พูดออกมานี่พูดออกมาจากความถึงใจนะมันไม่รู้มันเลยนี่มันซึมไปหมดเลยนะถ้าพูดถึงร่างกายนี่ก็ซึมหมดนใหมดร่างกายอะไรๆมันเข้าซึมหมดสิ่งเกี่ยวข้องอะไรๆซึมหมดมันเข้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าหนาที่อยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นสิงกินอยู่ในนั้นนะโอ้โอ ดูกิริยาการใดหมุนไปหมุนไปนี่จะหันหน้าเข้าไฟเข้าเข้าไฟเข้าไปนี่คือความชงเชยเฉลี่ยความตรงเชยที่เี่ยความต้องมีสีแก่นเฉลี่ยนี่ไม่มีในกิริยาที่แสดงออกนี่จะความชงเชยความวิ่งตามทเฉลด่ยวิ่งตามเฉลี่ยไม่ว่าเรียนมากเรือนน้อยนะไม่ว่ายุ้ตัก ฐานะอะไรหัวใจมันไม่ได้มีสิ่งกว่านี้มันมีแต่กิเลสมันแสดงว่าก็มีแต่กิเลสภาวะอยู่แล้วนี่เลนอ๋อมันเป็นจริงๆนะมันเปิดโลกจากหัวใจแล้วมั น, มนไม่มีอะไร ฟังสิโลคนี่กว้างขนาดไหนกี่แสนจักรวาลท่านแสดงไว้แสนโกดจักรวาลฟังสิมันมากขนาดไหนแสนกดจักรากวาลแล้วอะไรมาผ่านหัวใจหัวใจเป็นค่สสุกับอะไรไม่มีมี้แต่กิดเดสอันเดียวตอนนั้นนั่นที่ลงลงมันตรงนั้นนะว่าอนนี้มันม้วนเสียงไปแล้วมัน ไ, ไ, ไ, ไม่มันยังไม่มีสุญญ์ตัวโลกังเวคคสสุ โอคลาเนี่ยโอคลาอะไรราชลาสโตนโอคลานราสโตลดูความโมคราษฎรท่านเธอจะมีสติดูโลกนี้เป็นความเป็นความว่างเปล่านั่นแหละว่างเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นยางไงอะไรมันว่างเปล่าต้นไม้ภกเขามันก็มีอยู่มันทําไมมันถึงว่างเปล่ามันว่างอยู่ที่ใจนั่นเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระแล้วจิตมันก็ถอนตัวเข้ามา พอมาถึงภายในแล้วมันก็ว่างภายในนีว่ว่างหมดเลยอะไรมีไม่มีความรู้อันนี้มันครอบไปหมดแล้วถึงนั้นก็มีอำนาจอะไรพ่อคิอ เ, คเด็ดตัวยกยอเขเป็นผู้เสียอำนาจหรือเป็นเจ้าหน้าจมันก็ตายไปแล้วนี่เรื่องข้อวัดปฏิบัติพระเนนปฏิบัติกันยังไง ช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างจะก้นเบานะอย่าอึดอัดในในายให้เห็นผมอยู่เฉพาะทรงท่าสรงขันท่านี้ก็พอแล้วนะพอดูเอาที่หมู่เพื่อนก็รู้อยู่เห็นอยู่แล้วแต่ก่อนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงมันก็เห็นกันมาโดยลำดานๆพอทรงท่าสงขันอยู่ไปอย่างนั้นเนี่ย แล้วพังจะของจรินแล้วให้เป็นตามอธัธยาศัยแล้วไปนานแล้วนะอืประการหนึ่งประการหนึ่งแม่อยู่ก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นนี่เป็นความเหมาะสมกับอธัธยาศัยที่เป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพไม่ยุ่งกับอะไรทนเอาเฉยนะ่ะรับแขกรับคนรับอะไรลนะละนั่นนั่นนี่นี่ทนเอาทนเอา พอเห็นหัวใจของแต่ะดวงนัวงมีคุณค่าหวังที่หัวใจผล น, นั้นต่างหากจึงเบิกบืนลาพังเฉพาะของวันเช้าจะหวังเอาอะไรก็รู้อยู่ทุกอย่างแล้วรู้เห็นมันหมดะทุกอย่างแล้วจึงว่างไม่ใช่ไปหลงกับอะไรคิดดูสิ่กับร่างกายนี่อยู่ด้วยกันนี่มเป็นยังไงก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านในเรือน อันนี้ร่างกายนี่มันก็เหมือนเรือนเรือนใจความรู้อาศัยอยู่ในนั้นท่านั้นเองเมื่อบรรพยามันแล้วมันก็พังมันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเหมือนที่มันเคยเป็นว่าเป็นเราเป็นของเรามื่อมันพลิกแล้วกีดเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันพิกแล้วมันเป็นอาถรรพขึ้นจะให้เป็นเรายังไงมันก็มันก็ไม่เป็นเป็นคนรับฝั่งอยู่นั้นเหมือนกับ แม่น้าฝั่งนั่นกับฝั่งนี้จะให้เป็นฝั่งเดียวกันได้อย่างไรคนเราฟังเนี่ยระหว่างจิตสมมุติความมืดหรือระหว่างจิตกับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกั น, นคนเราฟังขาดไปจากกันโดยหลักธรรมชาติแต่เจยดสันให้เป็นอะไรอีกไม่ได้วันข้ามายึดก็ก็ไม่ยึดจะว่าไง ไม่ใช่ฐานะที่จะยึดเวลามันยึดอยู่จ ะ, จะบังคับมันปล่อยมันวางนี่มันก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นาฐานะอีกเหมือนกันในขั้นนั่นมันเป็นขั้นเป็นตอนถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วจะบีบบังคับให้ยึดมันก็ไม่ยึดเป็นหลักธรรมชาติอางนั้นถึงกล้าถึ่งนั้นีถึงกล้าพูด่็ บรรดาพระอรหันต์ท่านนิพพานหรือท่านตายอากาศพิญญาของท่านจะมีแตกต่างกันนะทำไมรู้เรื่องไว้ก่อนไม่ได้นะะเราจะถืออากาศพิญญาของท่านมาเป็นองค์ของท่านลรือสิแล้วความได้ได้ความเสียก็ไปสู่ท่านะมีติบ้างมีชมบ้างอะไรสิทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงเป็นอย่างนี้ภาษาขันเนี่ยมันจะแสดงอาการไหนกันให้มันแสดงไปสิ มันเป็นอาถรรพแล้วมันเข้ากันไม่ได้แล้วกับขันมันจะเป็นยังไงก็มันเป็นมันดิ้นมันดีดมันจะไปแบบไหนกันมันไปสิความบริอสุดก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะมาฆ่าเข้ากันได้ยังไงมันไม่ใช่ฐานาที่ฆ่าเข้ากันนั่นแหะพราะ่านถึงว่าอากาศปียาของท่านตายนะตายจะไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมวิบากของท่านผู้ใดจะเป็นยังไงจะตายด้วยวิธีใดมีอากาศปียายังไงเวลาจะตายก่อนตายนี่จะมีแต่แปลกต่างๆกัน ถ้าไม่ได้คิดและอ่านไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหรือไม่เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้เรื่องเหล่านี้ไมื่ก่อนแล้วยังไงก็ไม่ค้นที่จะไปให้คะแนนท่านตัดคะแนนท่านจนได้เลยเป็นหลักนิสัยอันหนึ่งยิงมันพ้นไปแล้วจากคําว่านิสัยนิสัยพ้นไปหมดแล้วนี่มันจะเป็นยังไงขึ้นมามันก็ไม่มีได้มีเสียต่อติดประเภทนั้น นีก็ได้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาเลยถึงได้เห็นโทษของตัวเองเราเราทั้งท่านที่กินในขั้นนั่นก็เป็นขั้นที่หมุนที่อยู่ที่อยู่อยูนไะ้นก็ยั ง, งสงสัยท่านจนได้ยับนึกนิดหนึ่งนี่เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะมีเผลอบังไม่นานดูสิมันหลับตาพูดออกมาได้สบายแต่ไม่ได้พูดนะมันนึกอยู่ในใจแยบน มันหลับตาคิดได้สบาย ก, กิเลสมีอยู่ตรงไหนมันก็ น, นั่นละ่ะเรื่องเผลอหรือไม่เผลอมันเป็นอะไรเนี่ยถ้าเข้าเข้ามันถึงความจริงแล้วความเผลอเป็นแล้วไม่เผลอมันเป็นอะไรมือสติปัญญาเป็นอะไรตั้นก็เรียกว่าอริยสัจอยู่แล้วนีพผ่านอริยสัจไปแล้วสติปัญญาก็เป็นยีเดายที่ใช่ในเพียงการเวลานเท่านัน้นเป็นงูดได้ยังไงสติพอดีปัญญาพอดี คิดตั้งหากเป็นนิมมุนั่นปืติปัญญาไม่ได้เป็นนิมมุตินี่นะเอาไปเข้ากันได้ยังไงเป็นสมมุติมหาสติมหาปัญญาก็คือมากขั้นละเอียดมันเองเห็นอวิชชาปยายสังฆลานั้นก็คือสมมุติไทยละเอียดละเอียดสุดอยู่ตรงนั้นมากความละเอียดสุดของมากก็คือมหาสติมหาปัญญา แต่พอพูดอย่างนี้ผมพูดทีไร ม, มันมันเป็นเพราะมันมันมันมันเป็นมาอย่างนั้นเนี่มันปรากฏอย่างนั้นเลย ส, สติหมหาวิญญาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นยังไ ง, ง, ไงรู้อย่างเต็มหัวใจนี่แต่อันหนึ่งนั่นแหละนั่นแหะมันมีอยู่นะที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เขาประยิยังมีนะถ้ามันเป็นการอัดเรื่องกว่าจะพูดว่าปัญญายานยานงานนางอุตตปารีนแปลว่ายาน ซึมอันนี้อันนี้ซึมนะรติปัญญานี่พลิกแปลงเปลี <Then> 林林่ยนแปลงไร้สั้นทันคมทันกับคนมายาวี่เลสอันนั้นซึมไปเลยนั่นนั่นคืออะไรน like ั่นน่ะนีนี้อันที่ซึมไปเลยมันก็มันก็เป็นสมมุติเหมือนกันมันระงับได้นี่ถ้าอันนั้นซ like ึมอยู่ตลอดเวลานี้ก็เท่ากับว่ามันเป็นจิตตวิมุตเหมือนอย่างว่าเสวยบรมสุเสวยบรอมสุบรมสุกันนั้นเป็นบรมสุอยู่กับหลักธรรมชาติของ จิตที่บริสุทธิ์จึงไม่เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่เวทนาไหนก็ไม่เป็นนี่เป็นหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติอันแต่คาที่ว่าเนี่ยไม่มีนี่มีระ ง, งับไปได้นี่จริงว่าอยู่ในขั้นของมรรคว่ามหาสติมหาวัญญาว่าหมุนที่หูที่หูที่ก็รู้แต่อันหนึ่งที่ละเอียดเขาไปกว่านั้นเป็นอะไร น, ะนะั่นซึมไปเลยนะ่นล่ ะ, นะนะ มันพูดไม่ได้ท่านไม่ได้บัญญัติไว้ก็เห็นตแต่ญาณางอุตตปานี่สันนิษนเองมันเป็นการอ่านเรื่องก่อนจะพูดจะพูดว่าปัญป ญ, ญาญาณมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันเป็นให้เห็นอยู่นั่นแ่ะจะไม่นํามาพูดได้ยังไงแไม่จะว่าเป็นอ่านเรื่องหรือไม่อ่านเรื่องผมก็ไม่ทราบหรอกมันเป็นจริงๆนี่เป็นอยู่ในหัวใจนี่มันซึมมันซึมแก้กิเลสนี่มันซึมเผ า, านะไหม้กิเลสนะเพราะยัซึมไม่เฉย เหมือนมหาสีมาปัญญานี่ก็เผาไหมาอยูแบบหนึ่งไอ้ซุ้มนั่นก็เผาไมมส่วนละเอียดที่เป็นปุ๋ยเป็นผงของเชื้อไฟนะคุณง่ายๆเป็นปุ๋ยเป็นผงของมันมันก็เผาอันนั้นแหละซุ้มก็ไปเผาอะไรหนูมันซึบไปหมดอย่างนี้ว่ะมาถึงขั้นมันตามกันมันตามได้หมดนะไม่หมดตามไม่หมดที่เด็ดไม่สิน้น มันตามมันได้หมดประมวลเข้าไปหาเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในอวิชชาดับพิบเดียวก็หมดแล้วะเราอวิชชาเพิ่มเดียวเท่านั้นไม่ซ้ำซากนะนอกนั้นหนอกนั้นมันยังเป็นพวกมันพูดไม่ถูกแต่ว่าซ้ำซากไม่ซ้ำซากมันก็มันก็ซึมพวกมันอยู่มันเป็นนายจองก็รู้เองพูดนี่ก็พูดแต่ลมปากเฉยะ มันเป็นนายเจ้าของแล้วเรื่องอย่างที่พูดให้ฟังอย่างทุกวันนี้นะเมื่อมันเป็นนายเจ้าของเมื่อไรแล้วเรื่องที่พูดให้ฟังนี่มันจะกังวานขึ้นเลยนะกังวานก็กับหัวใจเจ้าของกันเนี่ยอ๋อที่ตันว่างั้นเป็นอย่างนี้เองนั่นเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองมันตั้งวานขึ้นเลยแล้วมีเครื่องรับแล้วนี่มันเป็นขึ้นนายเจ้าของกับมีเครื่องรับเลยสิมันยอมรับกันเลย พูดอะไรก็ให้หัวเพื่อนฟังผมก็พูดหมดทุกอย่างแล้วหมดจริงๆอย่าไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่เรื่องความเพียรต่างจะเอาอยัางไงทนีนี่นั่นต้องมีเท่านั้นเอง น, นี้มาอ่อนแออยู่เหลยความอ่อนแอก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วกรลูกอยู่แล้วความท้อถอยอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องของธรรมีันจะหมุนติวติว พวกเราพวกแยง่งแยงลงลง่งโลกละโลกคือเนยยะวะ่าคำว่าเนยยะเนยยะกับปัทัาปรมานะ่ะมันแย่งกันอยู่ด่นี่มันเป็นเนยยะที่เป็นปัทัาปรมะนาพวกเร า, นาเนี่นาวเนยยะแป ล, แลว่าควรแนะนําสั่งสอนได้ฝึกฝนอบรมได้ถึงจะยากลําบากก็อยู่ในขั้นได้แปลวแล้วปัทถาปรมะนั้นเป็นประเภทที่ว่าหมดหวัง ไอซียูเพศไอซียูถ้าเป็นคนไข้กับเพศไอซียูหมดหวังเนยยะนี่มันพอยังพอเป็นไปได้แต่พวกเรานี้ น, นี่มันกําลังไปแย่งประทราบ ป, ปรามานั่นเลยเนี่ยมันไม่อยู่ในเนยยะนะเพราะทำโรงพยาบาลไม่ไหวจะตายะเนี่ยมันเข้าประทราบปรามาแล้วนั่นมันไปแย่งวันหนึ่งไปแย่งประทราบปรามาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นประทราบปรามาแตกกันแล้วถ้าเป็นหม้ อ, อ ก, ก็แตกพวกเรามันไปหัวชนหัวโดน อยู่ทุกวันทุกวันไปแย่งตำแหน่งประธาตุปรมาโอ้ทำภายในใจนี่มันถ้ามันเป็นในหัวใจแล้วมันพูดไม่ถูกนะทำความจริงหลักธรรมชาติรู้หลักธรรมชาติเอาความจริงทั้งหลายก็บรู้มาได้จากความจดความจำนี่โอ้ผิดกับเอาซะ ม, มากมายนะรู้ความจดความจำเราจำได้ตรงไหน อันไหนที่เราเรียนผ่านมาก็พอเราเรียนได้เลียน ไ, ได้อันไหนที่ไม่ไม่ผ่านมาที่ที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นดีลบล้างได้หรือว่าไม่มีท่านลบล้างไม่ได้เอาละเลิกเอา